เจอุโบสถาคาราคาว่าด้วยโรงอุโบสถเรื่องยกปาทิโมกข์ขึ้นแสดงตามบริเวณวิหารข้อ14 141สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายยกปาทิโมกข์ขึ้นแสดงตามบริเวณวิหารโดยไม่กนนําหนดที่พระอาคันตุกะทั้งหลายไม่รู้ว่าวันนี้สงฆ์จะทําอุโบสถณที่ไหนภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกลาบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงยกปาทิโมกข์ขึ้นแสดงตามบริเวณวิหารโดยไม่กําหนดที่รูปใดยกขึ้นแสดงต้องอาบัติทุบกดภิกษุทั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตให้สมมติวิหารเรือนมุงแถบเดียวปราสาทเรือนโลน้นหรือถ้าที่สงต้องการให้เป็นโรงอุโบสถแล้วจึงทําอุโบสถภิกษุทั้งหลายก็แลพึงสมมติโรงอุโบสถอย่างนี้ ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่า